เช่นเคยสำหรับธรรมะเก็บตกรับปรุณบรรยากาศช่วงเข้าพรรษาจะไม่เหมือนไม่เหมือนปกติคือทางวัดเราเนี่ยครูบาอาจารย์จะเวียนกันผู้ธรรมะให้ญาติโยมฟังกันคนละวันทาหให้ธรรมานึกถึงหลวงพ่อท่านหนึ่งคือหลวงพอ่อสุเมโตสมัยก่อนที่วัดหนองวพงเนี่ยหลวงปู่ชาท่านท่านจะฝึกพระ<พ>เวลาวันพระเนี่ย ญาติโยจะมาเต็มสาลาเลยวันสัมผัธ์ทางศาสนาเนี่ยท่านก็จะมีอุบายฝึกพระให้คืธดธรรมะพุทธธรรมะนี่แหละช่วงนั้นหลวงพ่อสุเบโตก็ยังเป็นพระเป็นพระฝรั่งรูปแรกของวัดหนองวัวพงษ์ท่านก็พูดไทยยังไม่ค่อยคล่องอะ่ะหลวงปู่ชาก็ให้พูทธธรรมะท่านก็กลัวประมาทแล้วก็วิตกกังวลกลัวว่าจะพูดไม่ดีแต่เมื่อหลวงปู่ให้พูดก็ต้องพูด ก็พูดไปเรื่อยๆอ่ะชั่วโมงหนึ่งท่านก็จะลงจะทํามาสต์ผู้ชาก็ยังให้ลงให้พูดต่อตอนนี้ท่านหมดเรื่องพูดแล้วเพราะว่าภาษาไทยก็ไม่คยคล่องก็เลยต้องพูดวนไปเวียนมาเรื่อยๆตอนนี้คนในศาราก็เริ่มฟังไปฟังมาก็เริ่มหลับกันแล้วเริ่มง่วงเริ่มหลับการโกนบ้างท่านก็ฝืนฝืนพูดนะจน จบชั่วโมงที่2จะลงจะธรรมาตหลวงปู่ชาจะไม่ลงบอยผู้ตอยถ้ากก็จำใจต้องพูดตอนนี้คนในสาราก็เริ่มทยอยกลับกลับ ไ, ไปนอนแล้วก็หลงเหลงเหลือไม่กี่คนหลวงพ่อสมเมธโธไม่มีทางเลือกเลยต้องพูดจนจบอะวนไปเวียนมาแล้วถ้าก็พูดจบจนได้สมชั่วโมงในชีวิตท่านไม่เคยเจอเหตุการณ์วิกฤตเท่านั้นมาก่อนเลยนะในชีวิตพูดจนไม่มีคนฟังหลังจากวันนั้น เวลาท่านได้ขึนเทศเนี่ยท่านจะท่านจะติมีการเตรียมตัวก่อนไปค้นฟ้าหาตลักตาลาแล้วก็เรื่องที่จะเทศพิสดารใครได้พูดใหม่เนี่ยตอนที่ท่านพูดเนี่ยเลยเทศไหลลื่นญาติโยมก็ชมว่าโอ้อาจารย์พูดดีพระก็ชมว่าพูดดีหลวงพ่อสุเวธโทมีความสุขแต่สิ่งที่หลวงพ่อสุเวธโทมต้องการคือคําชมจากหลวงปู่ชาท่านเข้าไปกราบหลวงปู่แล้ หลวงปูก่ก็ชวนคุยไปเรื่อยไม่ได้คุยเรื่องเทศนะจนถึงจุดหนึ่งหลวงปู่ชาก็บองหน้าหลวงพ่อสุเบโตแล้วก็พูดคิดว่าข่าวหน้าอย่าทำอย่างอีกนะหลวงพ่อสุเบโตจึงรู้เลยหลวงปู่ชาเนี่จะเน้นให้ธรรมะ ส, สดๆไม่ให้เตรียมเรื่องต้องการให้ฝึกฝึกหลวงพ่อสุเบโตไงให้เห็นอารมณ์ตัวเองก็ไม่ได้ให้สอนโยมหรอกให้ฝึกตัวเองก่อนเห็นอารมณ์ต่างๆหลังจากนั้น หลวงพ่อสมพโไประเทศไหนก็สบายเลยเพราะว่าจะไม่มีอะไรวิกฤตเท่าวันนั้นอีกแล้วไอ้ที่แค่ามชั่วโมงเจอคนหลับหมดอาจารย์พบังโสก็เป็นกันท่านก็เขียนลงในหนังสือชวดมึนชื่นะ่ะว่าวันสำคัญเช่นวันพระเนี่ยบางทีหลวงปู่ชาก็พูดเองแต่บางครั้งก็กวาดสายตาบองไว้ที่พระฝรั่งหรือพระคนใดคนหนึ่งอะถ้าสายตาถ้าหยุดไปที่ใครเนี่ย คนนั้นก็ต้องพูดขึ้นพูดโดยที่ไม่ได้เตรียมตัวและไม่ได้วางแผนล่วงหน้าก็ทําให้เกิดต้องเตรียมพร้อมตลอดอะพร้อมลบแต่ละคนก็เลยแต่หลังจากได้พูดแล้วแต่ละคนก็ตอนหลังก็ไปพูดข้างนอกสบายนะเถือมีประสบะการณ์จนตอนหลังเนี่ยหลวงพ่อพรมเนี่ยบอกว่าไอ้เทศทีไหนเนี่ยบางทีเราไม่ได้เตรียมเรื่องหรอกเราพูดได้โยมมีความสุขแล้วเราต้องสนุกกับการเทศด้วย ถ้าเราไม่สนุกเนี่ยการพูดก็มันก็ไม่ค่อยไหลลื่นปั๊บเดียวเดี๋ยวเวลากขหมดแล้วแต่ที่มีสมจริงก็คือหลวงปู่บุตดาเนี่ยแหละมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงปู่บุตรดาไปพูดธรรมะสองธรรมะกับเจ้าคุณปทแปเจ้าคุณก็ถามหลวงปู่ว่าจะพูดเรื่องอะไรหลวงปูก่ก็ตอบว่าจะพูดเรื่อง ความโกรธเจ้าคุณก็ถามต่อเอา้าแล้วหน้าตาตัวกวดไปยังไงหลวงปู่ก็มองหน้าเจ้าคุณทำหน้าถึงขังแล้วค่อยตอบหน้าส้นตีนเจ้าคุณได้ยินดังนั้นเนี่ยแทบช็อกเลยแล้วเพราะว่ารับไม่ได้โกรธโกรธหลวงปู่บุ ด, ดามากตอนนี้หน้าแดง เทศไม่ได้เลยต้องให้หลวงปู่ดาเทศคนเดียวแล้วจากหลวงปู่บรรยายธรรมะจบแหละก็เข้าไปกราบขอเข้ามาเจ้าคุณแล้วก็อธิบายว่าเนี่ยตัวโกดเป็นอย่างนี้แหละหน้าดแดงๆคอแข็งๆเทศกระสู้เข้าไม่ได้แล้วก็ขัดคอกันเองหรือไม่ก็ขอาคอไปเขาขัดนี่คือตัวโกดแต่ที่จริงคำพสน์ตีเนี่ยถ้าเราฟังดีๆแล้วมันไม่ไม่หยาบนะก็คือ ใต้เท้าหรือใต้เท้าบาดเนี่แหละถ้าเราเอาภาษาไทยมาจับแต่ที่อารมณ์ในการพูดไงทาให้โกรธได้เหมือนกันนะภาษาไทยเนี่ยทั้งที่ถ้าแปลเราไม่มีอะไรสมัยที่หลวงปู่เป็นพระใบใหม่หนุ่มๆเนี่ยเวลาหลวงปู่โกรธครั้งหนึ่งก็จะกราบพระสามครั้งโกรธสองครั้งก็กราบหกครั้งถ้าโกรธร้อยครั้งก็กราบสามร้อยครั้งปู่ทำประจํานะหลวงปู่บอกว่าตัวโกรธเนี่ยมันกลัวมันกลัวการกราบพระที่สุดเลย ทำไมบ่อยมันก็หายไปเองผูบายลงังาฟารรมกดของหลวงปู่อย่างเมื่อครั้งก่อนเนี่ยอธมาพูดธรรมะยังไม่จบเลยเวลาหมดนะเราพูดถึงสามสลึงสามเสือก็คืออาจารย์ไปศาลอาจารย์ไปศาลเนี่ยเป็นคนที่มีลมขันท่านใช้นามปากกาว่าลินใจแต่ว่ามาเขียนหนังสือเรื่องนี้เรื่องสาระขันน่ยท่านต้องใช้นามปากกาว่าสามสือหลวงเพื่อไม่ให้ใครรู้ว่าเป็นท่าน อันมากเก็บตกมาบางเรื่องงวดก่อนก็เล่าไปเรื่องแล้วเรื่องที่คนปล่อยตดอะ่ะหนุ่มที่มีมแก๊สในกระเพาะอะ่ะแล้วไม่รู้ตัวเองอะว่าเหม็นว่ามีกลิ่นนะมีอีกสองเรื่องที่อันมาชอบมีคุณลุงอยู่คนหนึ่งแก่เป็นโรคหัวใจแล้วแกก็ซื้อลอตเตอรี่ไว้นะแกก็ให้หลานชายไปตรวจหลานชายไปตวรวจพอเออได้ลุงคนเนี้ย ทรตัลี่เอาไ้ทหนึ่งได้เงิน6ล้านหลานชา ย, ยก็รักแล้วเป็นห่วงลุงมากไปบอกลุงเดี๋ยวลุงหัวใจวายตายตา ย, ยุ่งเลยก็เลยไม่รู้จะทำไงจึงไปปรึกษาหลวงหลวงพ่อพระที่นับถืออบอกว่าหลวงพ่อมีมีวิธีจะพูดให้ลุงเนี่ยไม่หัวใจวายได้ไหมไม่ช็อกหรือหัวใจวายหลวงพ่อบอกสบายมากเดี๋ยวหลวงพ่อจัดให้ให้พาลุงมาเลยวันลุ่งขึ้น ลุงคนนี้ก็ไปที่วัดอะไรละไปถึงก็หลวงพ่อทักทายกันอ้าวโยมปีนี้อายุเท่าไรแล้วลุงบอก78ครับแล้วก็คุยเรื่องธรรมะนี่แหละคุยไปคนอายุ78เนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคอามากมายผ่านโลกธรรมมาเมื่อจะเป็นมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีเสน่หมีอนทาทุกสิ่งอย่างไม่เที่ยง โยมก็ต้องไปวางนะลุงก็ตอบว่าผมกำลังทําอยู่ครับี่โยมรู้ไหมว่าตอนนี้อะโยมเนี่ยถูรัตติรียาที่หนึ่งได้เงินหกล้านลุงก็ไม่ได้ดีใจอะไรนะตอบด้วยสีหน้ารับเรียบบอกว่าก็ถือว่าเปบุญของผมนะตอนนี้ผมก็แก่มากแล้วก็ถือว่า ได้เกินมาก็ดีผมจะได้มีโอกาสได้ทำบุญเนี่ยผมจะถวายหลวงพ่อแล้วสองล้านเพื่อให้สร้างโบสถ์ยังไม่ทันจะจบเลยหลวงพ่อเนะป็นลมไปแล้วเพราะหลวงพ่อก็เป็นโรคหัวใจเหมือนกันในชีวิตเนี่ย ย, ยังไม่ยังไม่เคยจับเงินล้านของเขาเลยพอได้ยินว่าโยมจะถวายสองล้านเนี่ยช็อก อันนี้อันนี้หลวงพ่อเขาลืมลืมตูดตัวเองไงมวลอาคิดจะไปสอนคนอื่นอะต่อมามีอีกเรื่องหนึง่งสมนึกป่วยหนักอาการโคมา่าตอนนี้ใกล้จะตายเต็มทีละยาพี่น้องเป็นห่วงมากกลัวสมนึกตายแล้วจะไปไม่ดีไงนึกขึ้นมาได้ก็เลยไปเรียกหลวงตาที่มักคุ้นน่แหละ บอกให้มาพูดธรรมะให้นอะให้ฟังหน่อยเผื่อตายจะได้ไปสู่สุขติไงหลวงตานี่ก็รีบมาที่โรงพยาบาลเลยให้มาถึงก็พูดธรรมะใหญ่เลยชีย้เห็นว่าเนี่ยชีวิตเปนของไม่เที่ยงเนี่ยมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นของธรรมดาโยมต้องปล่อยวางนะจะได้ไปสุกติแต่พูด แต่ขนาดที่หลวงพ่อมาเนี่ยสมมึกก็การเพียบหนักกว่าเดิมจากตอนแรกอาการยังไ ม, ไม่หนักอย่างนี้สมมึกก็หน้านิวคิ้วก็หมวดหน้าตาเลือกหลักเลือหลักพยายามจะพูดอะแต่พูดไม่ได้หลวงพ่อรู้ว่าสมสมมึกจะใกล้จะไปแล้ว ร, รีบพูดธรรมะใหญ่เลยให้ปล่อยวางอยากจะธรรมะให้ใหญ่เลย สมฤกพยายามกั้นเพื่อกุดท้ายเพื่อจะขออะไรสักอย่างจนญาติหยิบปากกากับกระดาษให้แกก็ใช้พลังฤกตุดท้ายเนี่ยเขียนใส่กระดาษแล้วก็พับไว้ตรงนั้นแหละแล้วก็สิ้นลมไปหลวงพ่อเขาบอขนาดโยมเนี่ยตายไปเนี่ยยังห่วงญาติพี่น้องอย่าสังเสียแกก็เก็บกระดาษไว้ใส่ไว้ที่ย่ามไม่อ่าน บอกว่าเดี๋ยวจะอ่านตอนตอนเย็นเย็นะฉะนั้นหลังจากสมนึกเนี่ยบรรจุหี่ศพแล้วนะญาติพี่น้องมาเยอะแยะหลวงพ่อค่อยขีดกระดาษแผ่นนั้นแหละค่อยไปอ่านแล้วก็เกิดนามบอกว่าเนี่ยยงสมนึกเนี่ยเป็นห่วงยญาพี่น้องก่อนตายก็สั่งเสียแล้วเขค่อยอ่าน เนื้อความในกระดาษแก่เสียงดังเลยนะถอยออกไปอย่าหยียบใส่ออกซิเจนอันนี้เป็นเรื่องเล่าอ่ะอาจารย์ครับเพื่อไม่ให้ลมขันไนะคงไม่ใช่เรื่องจริงหรอกเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเป็นธารมาธรมามอ่านกระดาษก่อนลนะหรือไม่ก็ต้องรู้ว่าเขียนอะไรไนงะอันนี้อาจจะเป็นมุกไนงะคือหลวงพ่ออยากสอนธรรมะไงแต่บางทีสอนสอนสอ น, สอนแบบจริงจังจนตัวเองไปหยัยบใส่ออกซิเจนไนงะถ้า หลวงพ่อยอมเปิดใจรับฟังสมลึกบ้างเนี่ยก็อาจจะทําให้สมลึกมีชีวิตยืนไปพักหนึ่งพอได้รับฟังธรรมะดีๆได้เพราะเดี๋ยวนี้เราก็มีอาจารย์หลายคนอยากสอนโยมด้วยความเป็นห่วงหรืออะไรก็แล้วแต่แต่บางทีไม่ถูกการาสเทสะไม่ถูกที่ถูกเวลาบางทีก็กลายเป็นเสียไปเพราะธรรมะจะต้องให้คนที่เขาพร้อมที่เขาพร้อมรับได้แล้วก็ภูมิจิตภูมิธรรมคุยกันรู้เรื่องบางคนก็จะไม่พร้อมจะรับธรรมะขั้นสูง หรือบางคนก็รับธรรมะแบบธรรมดาเนี่แหละกระตันยูรู้คุณหรือไม่ก็ต้องเป็นคนไม่ดีให้เป็นคนดียงเงี้ยพอดีสอนผิดก็ไม่เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแล้วก็มาอีกเรื่องหนึง่งเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับสามสหลิงนะสามหลงเขาจะไปศาลจบไปแล้วมีวัดอยู่แห่งหนึง่งเจ้าวาดเพิ่งเสียไปชาวบ้านก็นิมนต์ ห, หลวงตามาเพื่อเป็นเจ้าวาดคันถึง วันพระเนี่ยชาวบ้านก็มาทําบุญกันแล้วหลวงตาเนี่ยจะต้อูดธรรมะโยมฟังชาวบ้านมาเต็มศาลาเลยเพราะว่าต่างคาดความหวังไว้ว่าหลวงตาเนี่ยต้องพูดธรรมะดีธรรมะโดนใจทํามองเนี้ยแต่แล้วทุกคนก็รอผิดหวังหลังจากให้สินเสร็จหลวงตาเนี่ยผูดธรรมะไม่เป็นก็พูดเวียนใบวนมาแถมไม่มีศาลาเลยเลยชาวบ้านทักศาลาเนี่ยตอนแรกก็ตั้งใจฟัง แล้วก็ผิดหวังก็ค่อยๆหลับไปที่ยวกันสองคนบางคนก็กลนเสียงดังคือหลับสบายกว่าอา้าวต่อมาวันพาดที่สองคนก็มาฟังเหมือนเดิมแต่ว่าหายไปประมาณครึ่งหนึงหลวงตาก็เหมือนเดิมแลหละหลวงตาก็พูดไปวอดววกไปบนมาชาวบ้านก็หลับสบายเลยจนมาครั้งที่สาม หลังจากหลวงตาก่อมคนหลับทั้งสาลาแล้วเกือบทั้งศาลาเนี่ยมัคทายกก็นําชาวบ้านไปหาหลวงตาเลยที่กุฏิมากหลายคนเลยแล้วก็บ่นเลยว่าหลวงตาเนี่ยพุทธมรไม่ได้เรื่องเลยทําให้คนเนี่ยมาฟังทำหลับบ่นเลยเนี่ยคือต่อว่าแล้วแหละหลวงตาก็มองหน้ามัคทายกแล้วก็ตอบด้วยเสียงราบเรียบแต่จริงจังว่า พวกโยมรู้หรือเปล่าเนี่ยโยมทั่วไปเนี่ยเครียดเรื่องการงานปัญห า, าต่างเนี่ยจนนอนไม่หลับต้องไปซื้อยานอนหลับมากินเนี่ยฉันพูดให้พวกโยมเนี่ยหลับสบายไม่ต้องเสียเงินอย่างนี้ยังว่าไม่ดีเหรอเรื่องนี้ก็จบคือหลวงตาเนี่ยท่านพูทธม้าไม่เป็นแต่ถ้านา ก, ก็บอกว่าท่านมีแง่ดีนะ ทำให้คนเราฟังเ น, นหลับหมดเลยยางสมัยที่เรามาหายพูดธมารเป็นใหม่เมื่อปีสี่สองมัง้งไม่ได้พูดที่สุกโตหรอกตอนนั้นพูดที่วัดเขาสารพัดดีอำเภอหันคาจังหวัดชายนาฏวันนั้นเป็นวัดดังที่สุดของจังหวัดชายนาฏอะไปจำภาษาอยู่วัดเข่งสายหลวงพ่อสนองโดยมีหลวงพ่อสำรวมเป็นประธานสงฆ์ที่นู่นเนี่ยวันพระจะมีเชชิกไง คือไม่นอนมอีวันหนึ่งถึงคิวอธตรมาพูดธรรมะที่รุ่นเขาไม่ให้พูดธรรมะโดยมาพูดแบบนี้นะถ้าภาษายังไม่ถึงสิบอะให้เอาหนังสือมาอ่านแต่ปกติแล้วคนทั่วไปพระทั่วไปพูดธรรมะเนี่ยโยมจะแม่ชีกับกับคนฟังจะหลับกันเพราะว่าบางทีพูดเรื่องขันห้าแล้วเอาหนังสือขันห้ามาอ่านเนีคนเขียนก็เขียนจะเรื่องสูงๆนันเลยภาษาก็บาลีนะ ฟังแล้วก็หลับเลยอัดมาก็เอ๊ะมันจะพูดอหละให้แม่ชีเขาฟังแล้วไม่หลับเราก็ไปหาหนังสือไต่ภูมิร่วงว่ะอุพูดหลายชั่วโมงแนละ้วอ่านอ่านหลายชั่วโมงเลยอัดมาก็พาแม่ชีเนี่ยชมขุมนกต่างๆ ต, ตั้งแต่ขุมที่หนึ่งจนถึงขุมสุดท้ายอ่ะผลปรากฏว่าไม่มีใครหลับเลยทุกคนตั้งใจฟัง ทางที่อัลมาก็พูดได้เปนเหรอกกู๋ก็กลัวก็กลั ว, ล ว, ลวสันก็สัน่นแต่เราไม่มีทางเลือกแล้วก็ผ่านวิกฤตนั้นมาได้อัลมพูดจริงๆที่สุกโตเนี่ยก็ภาษาสิบละเมื่อปี55เพราะเป็นปีแรกที่อาจารย์ไปสารเนี่ยให้พระได้วิ่งกระแซงธทำเพราะเมื่อก่อนก่อนปี55เนี่ยถ้าอาจารย์เบสานประจาสุกโตอาจารย์จะพูดคนเดียวอาจจะมีหลวงพอ่อเขียนพูดบ้าง นานๆถึงจ ะ, งจะพวกอาจารย์ในวัดจะได้พูดทักครั้งหนึ่งเมื่อจะเป็นก่อนอาหารเช้าธรระเช้าธรระเย็นพอปีถ้าอาจารย์ไปจํารรษาที่พูหลงถ้าอาจารย์สิงค์ก็จะคลองใหม่คนเดียวเหมือนกันหรือมีหลวงพ่อมาพูดบ้าง ป, ปั๊บปลายหลังจากที่กํกาหนดกติกาว่าให้เวียกับผู้คนละวันเนี่ยตอนนั้นมาพรษาสิบนะอันาเป็นน้องใหม่ อย่างพวกอาจาร์สมใจเนี่ยภาษาหนึ่งแล้วก็ได้เทศแล้วเพราะท่านเป็นครูมาก่อนคือเปอ็นอาจารย์ได้ภาษาหนึ่งไงคือถือว่ามาเป็นน้องใหม่ของวงการในวัดนี้เลยได้พูดธรรมะภาษาสิทธิ์ก่อนพูดก็เราก็เป็นคนที่ที่กลัวแหะที่กลัวเวลาพูดก็มีการสั่นบางทีเตรียมข้อมูลมาพูดเนี่ยมันจำเรื่องที่พูดไม่ได้ปทีโดดข้าม แล้วมันมันยังไม่พอนะมันอยากให้โยมฟังมีความสุขไปท่องก่อนแล้วบางทีมันจําไม่ได้หน้าแตกท่องผิดแต่เมาก็ตอนหลังก็ท่องไม่ค่อยผิดผิดน้อยลงนะแต่เราก็ยอมรับการหน้าแตกกันแหละบางทีฝึกจากยากมาหาง่ายเพราะว่าเพราะเรากล้าทำํำไงเราไม่กลัวหน้าแตกพอหลายหลายครั้งประสบการณ์เราก็บ้าขึ้นตอนหลังเราก็เริ่มคอนโทรลเรื่องที่เราพูดได้ซึ่งใหม่ใหมไม่ได้นะ บางทีนึกเรื่องที่จะพูดเนี่ยบางทีมันแหกคิวหลุดออกไปเลยหลุดเฟรมการเทศจะไม่จะเท่ง่ายนะเพราะมันมีการเรียงเรื่องแล้วเชื่อมโยงไงแต่คนที่พูดได้เป็นเนี่ยมันนึกไม่ออกนะคนก็มองอยู่เฮ้เราจะพูดอะไรบางทีก็วนไปเวียนมาต้องมีความรู้พอสมควรความรู้ในเรื่องที่จะพูดแล้วก็ต้องมีประสบะการณ์ตัวเองเพราะ บ, บางทีนึกเรื่องคนอื่นไม่ออกเอาเอาเรื่องตัวเองไว้ก่อนเอาตัวรอดอันนี้บาก็ได้พูดธรรมะที่เนี่ย ภาษาสิบนะครับแล้วก็หน้าแตกเสมอมาเริ่มพูดเป็นเรื่องไปราก็นู่นน่ะเมื่อไม่นานวันี้แหละตอนหลังเออเขาทวนเรื่องได้แล้วมาเล่าเรื่องให้โยมฟังกันเรื่องสติคนก็พูดไปหมดแล้วเรื่องนัตตาอาจารย์พระชายก็พูดไปแล้วเรื่องจิตตงจิตตื่นหรือเรื่องอื่นน่ะเราก็ดูเฮ้มีเรื่องของมีเรื่องเก็บตกนี่แหละที่มีใครก็พูดเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาเล่าโยมฟัง ให้โยมแบบให้โยมมีความมีความสุขก็แหละเป็นวันเบาๆปกตอิอาจมาจะพูดวันพระรหรัสตอนหลังก็เลื่อนไปวันศุกร์อาจารยไพศาลเลยบอกให้เลื่อนมามาพูดวันนี้เลื่อนแล้วอาจารย์ไพศาลก็ติดธุระไปพูดธรรมะที่กรุงเทพปกติอาจะมาพูดวันศุกร์ไงก็เลยจําเป็นต้องเลื่อนรเวลาอาทิตย์แล้วเดี๋ยววันรังคารก็พูดอีกแล้วเพราะวันนี้ไม่คิวธรรมะถ้าเราพูดธรรมะสนุกเนี่ยครึ่งชั่วโมงแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวก็จบ แต่ถ้าพูดไม่สนุกนี่ครึ่งชั่วโมงนี่นานมากเลยหละสมัยโตเนี่ยเมื่อก่อนท่านจะไปพูดให้ชาวบ้านฟังเนี่ยบางทีก็พายเรือไปสมัยก่อนนึกถึงการจราจรนะไปไหนมาไหนยากมากเพราะว่าไม่มีรถไงส่วนมากไปทางเรือบางครั้งก็ต้องนั่งเรือสองสา ว, วันก็มีเพาะแต่ที่ไม่ใช่ใกล้ แต่ด้วยความเมตตาท่านก็ไปแหละไปประเทศไหนแล้วก็ไ ป, ไไปมีบางครั้งไปประเทศถึงมหาชัยต้อหลายกิโลเดินทางต้องเป็นนันวันหลายวันเงี้ยด้วยความ ท, ที่หลวงสมเด ى, ็จโตเดีภูธรรมะจับใจแล้วก็ทำให้คนมีความสุขขายขายอย่างนิมนตมีเศรษฐีอยู่บ้านหนึ่งก็นิมนสมเด็จโตพูดเลยแหละโดยจ้าง โดยทบุญเนี่ยร้อบาทเงินร้อยบาทสมัยนู้นถือว่าโอ้ถ้าเทียบกับสมัยนี้น่าจะมหาศาลนะคือจ้างสมเด็จโตเทศแล้วแหละสมเด็จโตก็ไปเทศให้ตั้งนะโมเสร็จพุทางธรรมังสังคังแล้วก็เอวังก็มีด้วยประการชานี้แล้วก็ลงจะทำมาดไปเลยเศรษฐีแทบช็อกเลยนะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าสมเด็จโตเทศไม่คุ้มค่ากับเงินร้อยหนึ่งที่เสียไปแต่ก็พูดอะไรไม่ออก หลังจากนั้นวันลุกขึ้นสมเด็จโตก็มาใหม่มาพูดธรรมะให้ฟังแต่ครั้งนี้สมเด็จโตบอกว่าเมื่อวานเนี่ยขวัวโตรับจ้างเทศแต่วันนี้วันนี้มาพูดธรรมะเป็นธรรมทานเปล่านะทนั้งประเทศอย่างอย่างคนฟังแล้วมีความสุขกันนหะอันนี้คือนิสัยของท่านที่เป็นเอกลั ก, กษณ์ไม่เหมือนคนอื่นถือถ้าไม่เคารพในธรรมหรือดูถูก การผูดธรรมะเป็นค่าโจงค่าจ้ า, จางเนี่ยถ้านจะทำตรงข้ามเลยแต่ถ้าเคารพไปทำท่านก็พูดให้เป็นธรรมทานทัานหัวโตจึงมีประวัติที่ไม่เหมือนคนอื่นเดี๋ยวภายภาคหน้าอะมาก็จะนํามาเล่าให้โยมฟังกันมีหลายเรื่องเนี่ยพูดไปพูดมาในเวลาก็จะหมดอีกแล้วเพราะว่าพูดสนุกมีบางเรื่องอะมาก็จะมาพูดก็เวลาไม่พอ ต้อติดไว้เดี๋ยววันอังคารพูดใหม่การฟังธรรมเนี่ยมีที่สงห้าอย่างถ้าโยบตั้งใจฟังเนี่ยจะทําให้ได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนถ้าเราได้ยินได้ฟังมาแล้วเนี่ยมันทําให้เข้าใจแจ่มชัดยิ่งขึ้นหรือบางครั้งเอาสงสัยถ้าผู้พูดแบบพูดไปโดนใจไปตรงกับเรื่องที่โยงสงสัยเราก็หลุดจากความสงสัยนั้นได้ ขณะฟังธรรมก็ทําให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ตรงนะถูกต้องแล้วก็ขณะที่ฟังธรรมจิตผู้ฟังเยาะพองใสเพราะขณะนั้นเนี่ยนิวรณนต่างๆอารมณ์ต่างๆไม่มาครอบงําทำประโยชนมีความสุขอันนี้คือที่สงของการฟังธรรมแต่ถ้าไม่ตั้งใจฟังบางทีก็ได้บาสนะบางทีพาผู้ธรรมะแล้วโยม่าช่วยกันคุยไม่สนใจ เดินไปเดินมามั่งหรือบางทีบางคนนี่ก็พูดแข่งพระทะํำให้พระไม่มีสมาธิพูดก็มีอันนี้ก็ไม่ได้บุญอะไรไม่เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายพวกญาติโยมถือว่าโชคดีฮนะที่มฟังธรรมที่วัดป่าสุภโตซึ่งมีอาจารย์หลากหลายแบ่งแบ่งปันความรู้ให้ญาติโยมอันมาบางคนไม่ค่อยมีความรู้อะไรก็พูดธรรมะง่ายๆแต่ถ้าจะฟังแบบวิชาการก็ฟังอาจารย์จอมซึ่งท่านจะมีเป็นด็อกเตอร์ท่านมีความรู้เยอะ เป็นวิชาการหน่อยหรือถ้าฟังธรรมะแบบขั้นสูงก็ฟังอาจารย์ออสอาจารย์ออส ต, ตอนนี้เป็นเป็นอะไรนะกัประธานใหม่เล็กนึงของก็ป่าสุกโตซึ่งกําลังดังมากเลยตอนนี้เริ่มคนรู้จักว้างแล้ะเพราะท่านมีสภาวะรองรับไงกำลังเปิดตัวตอนนี้อีกหน่อยก็เป็นอาจารย์ใหญ่โยมก็อาจารย์ออสพูดก็บางทีก็อย่าลืมมาฟังนะเพราะว่าภายภาคหน้าเนี่ยอาจารย์คนนี้จะดังไม่ธรรมดา คนจะรู้จักมากขึ้นเรื่อยๆอันมาพูดมาก็เห็นว่าสมควรกับเวลาเพราะเวลาหมดก็ขอให้ญาติโยมเนี่ยมีความสุขความเจริญรุ่ง่งขึ้นไปเอวัง